มากนักท่านพูดที่ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราตมาเพิ่งมาอสราเเป็นครั้งแรกจะอินชื่อมานาบชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนก็เราก็เคยมาทา ง, งานที่ประเทศนี้และหลายคนที่อยากจะมาแต่ก็ไม่มีโ อ, อกาสเหมือนพวกเรา พวกเรามาอยู่ที่นี่บางคนก็เพิ่งมาแต่หลายคนก็อยู่มาหลายปีแนละ้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยมีเหมือนกันไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่เมืองไทยไม่ว่าอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันตะวันออกกลางหรือที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่มีเหมือนกันนะเราเทียตมาได้มีประสบการณ์ก็คือว่า สนใจในเรื่องการทําบุญยิ่งอยู่ไกลเนี่ยก็ยิ่งนิดยิ่งนิดบุญกุศลมากอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคนไทยนะหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญอยู่เมืองไทยมีโอกาสทําบุญได้ง่ายได้สะดวกแต่พอมาอยู่ที่นี่หลายก็รู้สึกว่าอโอยหาบุญ บริหาโอกาสที่จะทําบุญจริงเนี่ยการทําบุญนะอ่าไม่จำเป็นต้องทํากับพระก็ได้นะหลายคนคิดว่าเนี่ยอยู่อิสราเอลไกลวัดนะไกลพระก็เหมือนกับว่าไกลบุญไกลบุญส์แต่ที่จริงเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทําบุญได้ตลอดเวลานะบุญนเนี่ยส่วนก็เกิดจากการให้ทาน นะทางจะเป็นอาหารก็ดีจะเป็นเงินทองปัจจัยก็ดีเนี่ยเราให้ใครโดยเฉ้ากับคนที่ทุกข์ยาเกเดือดร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นบุญ น, นะไม่ใเป็นว่าต้องทํากับพระไม่เป็นว่าจะต้องถวายเงินให้วัดใครที่เดือดร้อนนะเราก็ช่วยด้วยด้วยเงินทองด้วยสิ่งของอันนี้ก็เรียกว่าได้บุญลนะ แต่ว่า <sixth> ที่บุญที่ประเสริฐนะกว่าทานนะไม่ต้องใช้เงินเลยนะมีบุญมากมายที่ทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินอย่างเช่นศีลเนี่ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งรับศีลไปการสมาทานศีลแล้วก็เอาศีลเนี่ยไปปฏิบัติกับเนื้อกับตัว กับกายกว า, าจาเนี่ทำให้เราได้บุญนะยิ่งกว่าให้ทานนะบุญที่ประเสริฐกว่าทานก็คือสีนนะนะพวกเราจำเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินสักแดงเนะี่ยแต่ว่าเราก็สามารถทำบุญได้ด้วยการรักษาสีลให้ดียดงเล็กน้อยก็สีลค่าเพ็นงแคเรารักษาสีนเนี่ยนะ โอกาสที่เราจะทำชั่วทําบาปเนี่ยมันก็น้อยลงโอกาสที่เราจะไปเบียดเบียคนอื่นก็น้อยลงโอกาสที่เราจะเบียดเบียนตัวเองก็น้อยลงเหมือนกันนะถ้าเราอย่าประสบความสุขความเจริญเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ถว า, ายทานกับพระไม่ได้ทอดพระปาอย่างที่ทําที่บ้านเราในไทยแต่ว่าเราก็สามารถจะทําบุญได้ดยการรักษาศีล สีนั้นก็เป็นประโยชกับเราเนะี่ยทให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างที่พระสวดมาสักครู่เนี่ยนะอย่างที่อัตมาได้สาธิยายองค์คุณของสีมาสักครู่เนี่ยสีเลนสุกติณยันตินสีทําให้เกิดความสุขสีเลนภปกสัมกถาสีทําให้เกิดภพศักดิ์สีเลนกุติณยันตินสีทำให้เกิดความสงบเย็นคือนิพพานนะ พวกเรามาที่นี่ก็หวังความสุขความเจริญใช่ไหม้หมความสุขความเจริญเนี่ยที่เราจะสามารถสร้างหรอสร้างได้ยคือการรักษาสิ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ไม่ผิดสินข้อที่ห้านะเราไม่กินเหล้าเมายาเราจะมีเงินเก็เกบได้เยอะเลยเราจะมีสุขภาพดีนะ พะเราก็รู้นะคนที่สูบบุหรีกินเหล้าเนี่ยนะเขาถ้าทำไปนานๆเนี่ยสุขภาพก็จะยแย่ๆใครๆก็อยากมีสุขภาพดีนะก็เพียงแต่เราในรักษาสีนข้อห้าเอาแค่ข้อเดียวก็ได้นะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเยอะนะเงินก็จะเรลือเจ็บแล้วก็เรื่องที่เรื่องทเาเบาะแว้กับใครเนี่ยก็จะน้อยลง เราก็จะมีสติทำ ง, งานทาการได้เป็นที่รักของเจ้านายนะเป็นที่รักของเพื่อรุ่งเรืและทะเลาะครอบครัวการที่จะไปทะเลาะเบาแว่กันเพราะความมั่วมายก็ไม่มีอุบัติเหตุเพราะความมั่วมายกับรถชนต้นไม้หรือว่าไปกับรถชนใครนะก็ตัดที้งไปได้เพราะว่าไม่กินล่า ดังความทุกข์ความยากลำบากมากมายเนี่ยมันจะหายบกไปเลยนะเพียงแค่เรารักษาสีข้อที่ 5, ให้ดีนี่เฉพาะข้อเดียวนะไม่นับข้อหน่งข้อสองข้อสามข้อสอีอสอ่เนี่ยบุญว่าบุญเนี่ยมันเกอนนี้นะก็คือว่าบุญเนี่ยก็คือคืออนิสงส์ที่เกิดจากการทาความดีที่จริงสีห้าเนี่ยมันมีสองส่วนนะ ส่วนที่มดเว้นกับส่วนที่ให้ทำหรือควรทําส่วนที่มดเว้นเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ชนะหสิ่งที่ควรทําก็คือมีมอเมตตากรุณาต่อสัตวนะ์สัตว์ในที่นี้ก็รวมถเพื่อมนุษย์ด้วยข้อสองไม่ลักขโมยเนี่ยนะมันมีอีกครึ่งหนึ่งที่ควรทําก็คือว่าการมีสัมมาชีวะสิ่งข้อที่สามเนี่ยนอกจากการไม่ผิดประเวณีแล้วนะสิ่ง ที่ควรทวําก็คือการมีความพอใจในคู่ครองของตัวนะเมื่อมีความพอใจในคู่รองของตัวก็ไม่มีโอกาสที่จะไปผิดประเวณนะีหรือไปมีกิที่ไหนสี่ข้อที่สเนี่ยนะการไม่พูดปดนะอีกข้อนึงที่มาคู่กันนะก็คือการมีสัจญาการมีความซื่อสัตย์และลองเรามีความซื่อสัตย์นะซื่อตรงไม่หลอกลวงนะ ผู้ครองของเรานะก็จะรักเราเรามีเพื่อนเพื่อนก็จะก็จะรักเราแล้วนะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไนดะ้พูดอะไรไปคนก็เชื่อคนก็นับถือนะเพราะว่าไม่มีประวัติการโกหกหลอกตัวข้อที่ห้าเนี่ยไม่กินเหล้าเมายาใช่ไหมที่มาคู่กันนะก็คือการมีสติ นั้นพวกเราเนี่ยถึงแม้จะไกลวัดนะไกลว่าแต่ว่าไม่ได้ไกลบุญนะเราอยู่ใกล้บุญเราสามารถจะทาบุญได้ตลอดเวลานะไม่ต้องใช้เงินเลยไม่มีเงินก็ทาบุญไดนะ้ที่จริงเนี่ยเพียงแค่เราช่วยเหลือส่วนรวมนะก็เป็นบุญนะเพียงแค่เรา ยินดีเวลาคนอื่นเขาทาความดีเราไม่อิจฉาเรล่านุมโมทนาด้วยอนุมโมทนาแปลว่ า, ายินดีส่งเสริมนะดีใจเราก็ได้บุญบุญชนิดนี้เรียกว่าปัจตานต์อนุมโมทนาไปถ้าเราทําเนี่ยถ้าเราเข้าใจคําว่าบุญเนละเราจะรู้สึกเลยนะว่าชีวิตเรานะไม่ได้ไกลบุญเลยนะเราอยู่กับบุญตลอดเวลาและเมื่อเราอยู่กับบุญ เราก็จะมั่นใจว่าบุญก็จะรักษาเรานะโดย่องจาะบุญที่เกิดจากการทาความดีเกิดจากการรักษาศีลนะ น, นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยให้เข้าใจนะว่าคือแม้นานๆจะมีพระมานะเปิดโอกาสให้เราได้ทำบุญเราก็สามารถจะทำบุญได้ตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยเรามาถึงนี่แล้วเนี่ยนะ นอกจากการรักษาสิ่งให้ดีแล้วเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทาให้เราอยู่กันได้มีความสุขนะก็คือการรักกันนะการรักกันเพราะว่าเราไม่มีใครนะเราอยู่ที่นี่เนี่ยนะถ้าเว้นจากเพื่อนคนไทยด้วยกันแล้วเนะี่ยก็เป็นคนต่างชาตินะซึ่งบางคนก็ไม่รู้ภาษาไทยนะ หรว่าบางคนเราก็สื่อสารเขาไม่ได้เพราะเร า, าก็ไม่รู้จักภาษาของเขาดันะั้นถ้าเรามีความเอื้อการที่คนเราจะรักกันได้นี่ะ<ช>เราก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกนะันะมีความเมตตามกุณาต่อกันดงนั้นถ้าเราคนไทยเนะีนะ่ยรักกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะความยากลําบากนะมันก็เกิดขึ้นได้ยาก เวลาเราเดื อ, อดร้อนนะก็จะมีคนช่วยเหลือเราเพราะว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยมันช่วยประสานน้ำใจให้แกันกันและกันแต่ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการให้นะเป็นเพื่อนเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการใหนะ้สิ่งที่เรียกว่าทางเนี่ยสำคัญมากนะ ผู้เจ้าตอว่าทานเนี่ยหรือการให้เนะี่ยมันเป็นเครื่องสมานน้าใจเนีเป็นเครื่องสมานน้ำใจคนที่อยู่ห่าเงเหินไม่รู้จักกันแต่เพียงแค่มีน้ําใจในปีให้กับกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันได้เมื่อเรารู้จักให้ทานเรารู้จักแบ่งปันนะไม่ใช่เกิดความสุนใจเท่านั้นนะ แต่ยังสามารถจะเกิดความสุขกายได้ด้วยความมั่นคงของชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เรารูจับให้ดูจักแบ่งปัปมีคนหนึ่เขาเล่าว่าเคยไปเขาเคยทาสารคดีนะเขเป็นคนหนึ่งในกองถ่ายทาสารคดีใครที่ดูช่องสามก็จะเคยได้ยินรายการทุงง่งหญ้าป่าใ เขาเล่าว่าเคยไปทำสารคดีในชนบทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะระหว่างที่นั่งพักอยู่เนี่ยก็มีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยถือปลาพวงใหญ่มานะไม่รู้ว่าซื้อมาจากตลาดรถหรือว่าตกปลาได้นะเป็นปลาช่อนปลาตุกพวงใหญ่มาถึงก็ถามคนในกองถ่ายเขว่า พวกหนูรู้ไหมปลาพวงเนี่ยทำงานจะกินได้นานปลาพวงเนี่ยทำงานจะกินได้นนานคนในกองถ่ายก็ช่วยกันตอบนะบางคนก็บอกว่าเอาไปหมักบางคนบอกเอาไปทำส้มบางคนบอกเอาไปตัดแต่งบางคนกบอกว่ า, า, าเาอาไปใส่ตู้เย็น ป้าตอบไง ร, รู้ไบอกไม่ถูกถ้าอยากกินปลาให้ได้นานๆเนี่ยต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านให้ทั่วถึงนะเจ้าไปแบ่งให้เพื่อนบ้านตัวถึงเลยจะกินได้นานแต่แปลกนะอยากกินได้นานเนี่ยอยากกินปลาได้นานต้องไปแบ่งให้เพื่อนเราลองคิดดูนะเป็นจริงหรือเปล่านะทำไมการแบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ย ถึงทำให้เรากินปลาได้นานๆเพราะว่าเวลาเราเวลาเขามีปลาเก็มาให้เราใช่ไหมเวลาเขาหาปลามาได้หรือเขาจับปลามาได้เนี่ยก็มาให้เราเพราะว่าเราเคยให้เขานผะู้ยันก็มือนก็ว่าการเอาปลาไปให้เขาเนี่ยก็มันก็ไปฝากอวามศรีไว้ในท้องของเขานะนะการที่เราปลาแบ่งให้คนอื่อนเนี่ยก็คือนะ เราไปฝากอมสินไว้ในทองเขานะีเวลาอยากได้นเนี่ยเราก็ไปไปขอเขาหรือว่าเขาเห็นก็ให้เราอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะพวกเราเนี่ยหลายคนก็มาจากหมู่บ้านนะสมัยก่อนชาวบ้านเขาก็มีภูมิปัญญาแบบนี้แหละเขาก็เลยช่วยเหลือกันนะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะถ้าพวกเราเนี่ยมาอยู่กันต่างแดนเนี่ยนะ พอให้ให้ระ ล, ลึกว่าการการแบ่งปันเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้เงินในกระเป๋าเราน้อยลงแต่มันทำให้เรามีความสุขใจและมันทำให้เกิดมิตรภาพนะนอกจากการการแบ่งปันกันแล้วนะความอดทนนะอดทนต่อคำพูดนะที่เราขันติเนี่ย ก็ควรมีนะอย่าไปวันไหวกับคําพูดถ้อยคำเพราบางทีเราอยู่ใกล้กันเนี่ยบางทีก็มีคําพูดที่อาจจะไม่ถูกใจหรือว่ากระทบกระเทือนใจนะยิ่งใกล้ชิดกันเท่าไหร่ยิ่งคุ้นเคยกันเท่าไหร่ก็อาจจะมีการพูดจะผิดหูกันบ้างเพราะเป็นธรรมดาเราก็ต้องมั่นคงนะไม่วันไหวนะ บางทีเขาจะบุกปากอะไรไปบ้างเราก็อยนะ่าโกรธความความเป็นความว่าความคุ้นเคยกันเนี่ยนะมันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะก็ต้องมีความรู้จักกดกรั้นกดกลั้นต่อคําพูดดกลั้นต่ออารมณ์าภาษาพลาเรว่าขันตินะอย่าไปอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์มาก ลืมมันบ้างปล่อยปล่อยไปบ้างคําพูดที่ไม่ถูกใจเรานะเพราะคนเรานี่ผิดพลาดกันได้บางทีเขาก็พูดแบบไม่ตั้งใจนะหรือว่าอารมณ์พาไปขนาดลูกเนี่ยยังเผลอพูดไม่ดีกับพ่อแม่ในชะ่ไหมพวกเราเคยเป็นลูกเนี่ยเราก็คงรู้นะว่าบางทีเราก็เผลอพูดไม่ดีกับพ่อแม่หรือว่าขึ้นเสียงพ่อแม่นะ แต่พ่อพ่อแม่รักเราแล้วก็พ่อแม่ก็มีความอดทนมั่นคงนะก็เลยไม่ถือสาเรานะเวลาเราคบใครเนี่ยนะก็ควรจะมีอย่างนี้บ้างนะก็คือไม่ถือสาคน ม, มันถึงจะอยู่กันได้นานมันมีคำพูดโบราณว่ารักยาให้บันรักสั้นให้ตอนะรักยาให้บันรักสั้นให้ตอ ต่อเลยต่อเลที่คือต่อความยาวสาวความยืด น, นะถ้าเรารักสั้นคืออยากให้มิตรภาพมันสั้นลงเราก็ต้องต่อความยาวสาวความยืด น, นะเรามีครอบครัวเรามีแฟนเนี่ยถ้าเลยจะให้สมรรถภาพมันสั้นลงก็ต้องต่อความยาวสาวความยนืนแต่ถ้าเราอยากให้มิตรภาพยนืนยาวนะอยากให้ความรักยืนยาวก็นะให้บั่นมันบ้างคืออย่าไปอย่าไปต่อ ต่อเรื่องต่อราวนะนะให้รู้จักยืนะบันแปลว่าตัดให้สั้นลงนะทะเลาะเรื่องอะไรกันก็ตัดให้มันสั้นลงซะมิตรภาพก็จะยืนยาวนะถ้าเราทำนี้ได้เนี่ยเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะอยู่ต่างแดนนะแม้เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเป็นสุข อัตามาก็มาอยู่มาเห็นที่ได้สองวันนะก็รู้สึกนะว่าออที่นี่เหมนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะการอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะดินฟ้าอากาศก็ดีอาหารก็ดีนะวัฒนธรรมก็ดีนยะมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุดเคยนะแต่เราก็สามารถจะอยู่ได้มีความสุขนะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะจะสุขหรือไม่ย่ทิ่ใจไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศ อากาศร้อนแต่ใจเย็นก็ไดนะ้มีที่ใจนะงานมันจะยากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าใจสู้แล้วเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะพวกเรามาที่อิสราเอลเนี่ยนะก็คงเห็นนะว่าความพีเพย า, ยามเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกฟื้นทะเลทรายให้กลายเป็น ค้องทุ่งที่เขียวปจัจจีได้อย่ดูภาพนี่เลยนะตมาเขาจะฟังมีคนที่มาบอกว่าเนี่ยแตก่ก่อนก็แบบนี้แหละไอ้ที่ตรงนี้ะแต่ก่อนก็แบบนี้แหละนะทำไมมันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้นะก็เพราะความภาพเพียงพยายาม น, นะความภาพเพียงพยายามแล่ความภาพเพียงพยายามเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่ที่ใจนะมันมาจากใจไม่ใช่ว่าแข็งแรงนะ มันอยู่ที่ใจสู้นะมันอยู่ที่ใจสู้นะชีวของเราเนี่ยหลายคนอาจจะลำบากยากแค้งมาก่อนนะเหมือนกับทะเลทรายเนี่นะแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนชี่อของเราเนี่ยให้กลายเป็นสีเขียวได้นะเป็นพื้นที่สีเขียวได้ถ้าเรามีความขยันใจสูนะ้มาถึงนี่แล้วเนี่ยไม่ใช่ของง่าย นะพวกเราก็โชคดีนะที่สามารถจะมาถึงนี้กันได้เพราะว่าหลายคนอยากจะมาแต่มาไม่ไดนะ้มันเหมือนกับสอบเข้าหมหายิายทยาลัยนะคนที่สอบเข้านี่เป็นร้อยแต่ว่าเอาแค่หนึ่งคนนะพวกเรานี่ก็เหมือนกับว่าสอบเข้าได้นะทั้งที่คนอยากจะสอบเข้านี่มีเป็นร้อย แต่ร้อยนี้เอาแค่หนึ่งแล้วเราก็คือหนึ่งในร้อยนะที่ผ่านมาถึงนี่ไนดะ้ดนั้นก็ถือว่าเรามีโชคเมื่อเรามีโชคแล้วเนี่ยเราก็อยากทาให้มันเสียของนะต้องใช้โชคเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์คือว่ามาถึงนี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะนะสู้ไม่ว่าดินฟ้าอากาศมันจะไม่เป็นใจอาหารจะไม่ถูกปากหรือว่าที่ทางจะไม่คุ้นเคย เม่อวานก็ไปแถวเดซีนะก็ไปเยี่ยมชุมชนคนไทยเนี่ยที่เขาทำสวนปาล์มนสวน ส, ว น, ส, ว, นสวนให้สวนปาล์มสวนในอินทผลัมเขาก็พูดกันนะว่าอากาศมันร้อนมากนะมันก็ร้อนจริงๆนะที่เดซีเนี่ยร้อนมากนะแต่อย่างที่เรามาบอกนะว่าร้อนกายมันไม่เท่ากับร้อนใจนะกายร้อนแต่ใจเย็นเนี่ย มันก็อยู่ได้นะแต่ถึงแม้เย็นกายแต่ใจร้อนนี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะพวกเรามาที่นี่เนี่ยแม้ว่ากายมันจะร้อนเนี่ยแต่ว่าใจเราเย็นได้นะมีผู้ออหญิงคนหึงเขาเล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์นะที่กรุงเทพนะอากาศร้อนมากเลยร้อนจนเขาต้องมา น, นั่งอยู่ในห้องแอร์ เปิดแอร์เต็มที่เลยขนาดเปิดแอร์ก็ยังร้อนบอกว่าได้ยินเสียงกดกลิ่นสักพักได้ยินเสียงกดกลิ่นจากหน้าบ้านมีกลุ่มไปษณีมาพอเธอได้ยินเสียงกลิ่นเนี่ยเธอก็รู้สึกมึงงนงีเลยนนะเพราะว่าขี้เกียจออกไปรับออกไปรับจดหมายที่ประตูหน้าบ้านมันต้องไปเจอแดดแค่ออกจากห้องแอร์นี่เขาก็ไม่อยากออกแล้วมันร้อน แล้วต้องไปเจอแดงเพื่อไปรับจดหมายเนี่ยก็ยิ่งไม่อยากก็แก้งจนเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ออกไปแล้วบุรุษเปชนีเนี่ยเขรู้ถ้ามีคนอยู่นะเพราะบ้านเปิดเครื่องทําเปิดเปิดแออยู่เขาก็เลยรอไม่ไดลล้รอเบาะแสเขาก็ร้องเพลงร้องเพลงพุทธุมร้องเพลงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องออกมารับเขารู้ว่าบุรุษเปชนีเนี่ยรอแน่มารับจดหมายเสร็จก็ รับด้วยความไม่สุดมือกินนะแล้วก็เลยพูดกับบุรุปษปรเจนว่าเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้ยังมีหน้ายังมีอารมณ์มาร้องเพลงเหรอนะอากาศร้อนแบบนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่เหอรษษอบุรุษปรเจนแกตอบได้ได้ลอยยิ้มนะทั้งที่เหงื่อเนี่ยตเต็มหลังอยู่นะแต่ก็บอกว่าโลกร้อนแต่ถ้าใจเย็นนะมันก็เย็นครับเนี่ยผมร้องเพลงเพราะใจเย็นครับนะพอร้องเพลงใจเย็นเนี่ยนะนแดดร้องมาทําแล้วก็ ไ, ไม่ได้นะ คนหนึงอย่้องแอนแต่ว่าหนุหนิดนะอีกคนนึงอยู่ข้างนอกแดดแดดแดดเผานะแต่ว่ายิ้มได้นะพ่ออะไรเพราะวาเขารู้จักทำใจของเขานะเขาอยากทำใจให้มีความสุขเขาทำใจใมีความสุขในการร้องเพลงพอร้องเพลงเสรยจใจก็เย็นนะแล้วก็เห็นได้ว่าแดดร้อน น, นะแต่ว่าใจเย็นมันทำได้นะแล้วถ้าเราใจเย็นแล้วเนี่ยนะ มันทำให้เราใจสู้นะเจอความยากลาบากอย่างไรนะก็ไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยนะเรามาที่นี่นะก็มีโอกาสที่ได้เปิดคือเปิดตานะไม่ใช่เพียงแค่มาทำมาหากินเพื่อที่จะมีเงินไปส่งบ้างเราก็ได้มาเห็นนะว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขาสร้างประเทศอย่างไรก็สร้างชาติอย่างไรนะ ประเทศชาติเขาก็เพิ่งสร้างกันเมื่อ60ปีนี่เองนะประเทศอิตาลีเพิ่งมีบนแผนที่โลกเนี่ยนะเมื่อหลังสงครามโลกที่สองนะก็คือเอประมาณไม่ถึง70ปีมานี่เองพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายนะก็สามารถจะพลิกพื้นให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้ด้วยความเพยายามด้วยความพยายามเียน เ, ยเรามาได้เห็นตัวอย่างของความอดทนความหมั่นเพียรแล้วเนี่ยนะเราก็ ซึมซับรับไปนะเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราท้อถอยเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันยากลบาบากก็ลองนึกซึ่งว่าเออคนคนอิสราเอลคนยิวเนี่ยเขาขยันนะเขาสู้นะแล้วเราก็คนไทยเรามี ม, มือมีไม้เหมือนเขาเนี่ยเราจะยอมแพ้เราจะยอม แ, นะแพ้เขาได้อย่างไรคนระัเวลาได้ถึกคนอิสราเอลเนี่ยก็คอย น, นึกว่าเออ ให้เขาเป็นครูสอนเราให้สอนเราว่าความทยานบนเพยญเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้เทเลสายซึ่งนะมันไม่น่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวได้เขาก็ทำมันแล้วเพราะความเพียรนะนะชื่อของเราเนี่ยจะยากลาบากอย่างไรนะถ้ามีความเพียรนะมันก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อของเราเนี่ยให้กลายเป็นสีเขียวได้ไม่แห้ง ไม่ผ่าดนะพรูวิตัดว่ามนุษย์เราล่วงถึงได้เพรความเพียรเมื่อมีความเพียรแล้วก็สามารถจะเอาชนะทุกอย่างได้ความเพียรก็ออกมาจากใจนะใจที่ไม่ยอมแพ้ใจที่สู้เสมอนั่นถึงแม้ว่าเราจะจากบ้านเกิดเมื่อนอนมาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาบางทีอาจจะไม่ถึงพ่อไม่ถึงแม่ไม่ถึงคนรักไม่ถึงลูกนะ แต่ว่าเมื่อเรามาถึงนี่แล้วนะก็ให้เรานะอดทนพยายามต่อสู้นะลองนึถึงความลำบากนะที่ผลักดันให้เรามาที่นี่นะทุกคนเนะี่ยถ้าสบายนี่ก็คงไม่มีใครมานี่หรอกนะเรามานี่เพราะชีวิตที่เมืองไทยมันลำบากอาจจะบางคน เ, เป็นนี้เป็นสินนะบางคนอาจจะ ขาดเงนะินเมื่อเรามาถึงนี่แล้วนะก็ให้ตั้งใจว่าเนี่ยเออเราจะเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะนะไปนะทำชีิตของเราที่เมืองไทยเนี่ยให้มันมีความสุขให้ความยากลาบากหมดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จับอดนะรู้จัอดอมอนะอดออมนะเก็บพร้อมรอมลิฟนะ ขยันหมั่นเพียร น, นะถ้าเรามาถึงนี่มาลำบากแล้วนะกลับไปบ้านไม่มีอะไรนะติดเนื้อติดตัวไปเลยเพราะว่าเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นหมดนะมันก็น้าว่าเสียดายเสียของในเมื่อเรายอมมาอยู่ที่นี่เพื่อหวังจะไปนะ ทำที่ของเราในเมืองไทยวันข้างหน้าให้มันมีความสุขนะเราก็ต้องยอมเหนื่อยยอมยากสิแต่วันนี้นะจะไปยอมแพ้ง่ายๆอาระตะมา ก, ก็ก็คงจะให้ข้อคิดความเห็นแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอทอุกโมทนาพวกเราด้วยนะที่มาร่วมกันถวายทานนะทั้งที่เป็นอาหารทั้งที่เป็นปัปจจัยสิ่งของนะ แล้วก็อย่าลืมนะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีพระมาหาเราแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำบุญนะได้ตลอดเวลานะศีลที่เราบาเพ็ญ น, นะธรรมะที่เรารักษานะจะช่วยให้เรามีความสุขความเจริญได้ถ้าสุดนี้ขอข้างคุณพระศิลรัตนตรัยนะอำนวยอวยผลให้ทุกท่านทุกคนได้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภาระ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุดนะปลอดภัยไกลทุกอุปสรรคใดๆนะไม่อาจจะทำให้เราพ่ายแพ้ขอให้มีความตั้งใจในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานเสินภาวนาเพื่อมีปัญญาพาจิตพาชี่ออกจากความทุกข์ข้อถึงความสุขเกษมสามมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเธอ เดี๋ยวจะถวายอลไรบ้าถวายแล้วยวจะกดน้าให้พร